เรวตะพุทธวงศูตรว่าด้วยพระประวัติของพระเรวตะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะได้มีพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าเรวตะไม่มีผู้เปรียบปาลไม่มีผู้เทียมเท่าผู้สูงสุดแม้พระองค์อันพรมทูลอาราธนาแล้วก็ทรงประกาศพระธรรม อันกำหนดด้วยขันและธาตุไม่เป็นไปในพบน้อยพบใหญ่ในการที่พระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมการบรรลุธรรมมีสามครั้งผู้ได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจะคำนวณ น, นับไม่ได้เลยในการเมื่อพระโมนีพระนามว่าเรวตัตส่งแนะนำพระเจ้าอรินธรรมเทวดาและมนุษย์จำนวนหนึ่งพันโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สอง พระผู้องอาจกวนรารชนเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติในวันที่เจ็ดส่งแนะนำเทวดาและมนุษย์ในอรหัตผลจํานวนหนึ่งร้อยโกฎพระจินเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าเรวตะได้มีการประชุมพระขีณาสขผู้ปราศจากมนทินหลุดพ้นดีคงที่สามครั้งครั้งที่หนึ่ง มีพระกีนาสุมาประชุมกันมากจนเกินกว่าที่จะนับครั้งที่สองมีพระกีนาสุจจำนวนหนึ่งแสนโกดมาประชุมกันในการเมื่อพระองค์ไม่มีใครเสมอด้วยพระปัญญาของพระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักแล้วทรงพระประชวนจวนจะเสด็จดับขันทัปริิพานครั้งที่สาม มีพระกีณาศพที่มาเข้าเฝ้าพระโมนีเพื่อทูลถามพระอาการประชวนของพระองค์ครั้งนั้นมีเทวดาและมนุษย์จำนวนหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันสมัยนั้นเราเป็นพรามมีนามว่าอติเทพได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ารวัตตะแล้วถึงพระองค์เป็นสรณะ ได้กล่าวสดุดีศีลลคุณสมาธิคุณและปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์แล้วได้ทูลถวายผ้าห่มแด่พระองค์ตามกำลังแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณไม่ได้นับจะกลับนี้ไปพรามนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลก พระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากพระทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาลานิครธทรงรับเข้าปราญาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยเข้าป่าญาตที่ริมฝั่งแม่น้ำ เนรรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จกทำประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัศทะพลึกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายา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 พระเคมาเทรีและพระอุบลวันนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครส า, าวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอั ส, สัทะพฤ ก, กิจตะขาบดีอุบาสกและหัตถกะขาบดีอุบาสก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 ตางก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธังกูลสัตว์ทั้งหลายในมืนจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงหัวร้องปรกมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศสาสนาของพระโลกกนาฏพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทธังกูลนี้ในอนาคตการ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 ก็ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพญ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปแม้ครั้งนั้นเราระลึกถึงพุทธการกธรรมนั้นแล้วเพิ่มพูนให้เจริญขึ้นด้วยหวังว่าเราจะนำมาซึ่งธรรมนั้นอันเป็นธรรมที่เราปรารถนาอย่างยิ่งกลุ่มชื่อสุทัญญกะ กษัตริย์พระนามว่าวิปุละเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าวิปุลาเป็นพระชนนีของพระบุทธเจา้าพระนามว่าเรวตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาดอยู่6 0พันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุทัศน์ปราสาทรับนักคิปราสาท และอาเวละปร า, าสาทตกแต่งสวยงามบังเกิดเพราะบุญกรรมมีนางสนมกำนันสามล้านสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุทัศนาพระราชะโอรสพระนามว่าวารุณะ พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชภานะคือรถออกพนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระเจ้าพระนามว่าเรวตะท่งเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรประทับอยู่ที่วรุณาราม พระวรุนเทระและพระพมเทพเทระเป็นพระอัครสาวกพระสัมภวเทระเป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าพระนามวารีวตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระพัฒนาเทรีและพระสุพัฒาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาแม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นก็ได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากะทิง วารุณาอุบาสกและสระภะอุบาสกเป็นอระอุปถาปาราอุบาสิกาและอุปปาราอุบาสิกาเป็นอระอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงปสิบศทรงปริงพระรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังดวงอาทิตย์อุทัย วงพระราศีอันยอดเยี่ยมที่เกิดในพระสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแผ่ไปยอดหนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหกมื่นปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก ทรงแสดงพุทธพลังแล้วประกาศอมตรธรรมในโลกไม่ทรงมีอุปทานสเสด็จดับขันทัปริณิพานแล้วเพราะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้เลิศพระบรากายมีพระรามีดังทองพระธรรมก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระเรวตะ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระยศผู้เป็นมหามุนีเสด็จดับขันทัปรินิพานแล้วพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แพ่ไปอย่างกว้างขวางในานานาอาระยะประเทศชนี้แลเรวตตพุทธวงศจบ โสพิตะพุทธวงศูดว่าด้วยพระประวัติของพระโสพิตะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตตได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะทรงเป็นผู้นำมีพระไทยสงบมั่นคงไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบพระทินเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงยินดีในพระราชวังของพระองค์ ทรงบรรลุพระโพธิญาณโดยสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจักรแล้วจากเบื้องบนจะดอเวจีมหานรกจากเบื้องล่างจะดพวัคคพรมในระหว่างนี้มีบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงธรรมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแก่บริษัทนั้น ผู้ได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจะคำนวณ น, นับไม่ได้เลยถัดจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ประมาณเก้าหมื่นโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการนั้นพระราชบุตรผู้เป็นกษัตริย์พระนามว่าชายเสน ทรงรับสั่งให้สร้างพระอารามอีกแห่งหนึ่งน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุทรงแสดงธรรมประกาศการบูชาของประสัตรพระองค์นี้เทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งพันโกฎได้บรรลุธรรมครั้งที่สาพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าโสพิตตได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสพ ผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้งพระราชาทรงพระนามว่าอุคตะพระองค์นั้นทรงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนในทานนั้นพระอรหันประมาณหนึ่งโกรธมาประชุมกันครั้งนั้นมีหมู่คณะมาถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชน พระอรหันต์ประมาณ90โกรธมาประชุมกันครั้งที่สองในการเมื่อพระชินเจ้าทรงเสด็จจำบัรสาในเทวโลกแล้วเสด็จลงพระอระหันต์ประมาณ8ปสบโกรธมาประชุมกันครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นพรามมีนามว่าสุชาตะ เราได้อังคาดพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและนำ้ำแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรเราว่าในกับอันประมาณไม่ได้จากกับนี้ไปสุชาติพราหมณ์นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัท์ที่หน้ารื่นรม พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกรกริยาจากพระทับนั่งที่โคนต้นอชาปาลนิโครธทรงรับเข้าปายากในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากสะเบยเข้าปายาิที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วสเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้ว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 ตั้งมั่นดีจักเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกจิตตะขาบดีอุบาสกและหัตถกะขาบดีอุบาสกชาวเมืองอารวาีจักเป็นอครอุปทากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกา จกเป็นอัคระอุปถายิกาพระโคดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนพุทธังกูล สัตว์ทั้งหลายในมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ปริงเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกกนาตพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่ผู้ทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว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 กรุงชื่อสุธรรมกษัตริย์พระนามว่าสุธรรมะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุธรรมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโสพิตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวะอยู่เก้าพันปีมีปร า, าสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือกุมทัพปร า, าสราทณรินีปร า, าสาท และปะธุมปราศาสตร์มีนางสนม 43,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระเมเหสีพระนามว่าไมากีลาพระราชโอรสพระนามว่าสีหะพระองค์ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกจากปราศาสตร์ไปพนวดทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระพระนามว่าโสพิตะทร่งเป็นผู้นำสัตว์โลกอันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณพระอุทยานสุธรรมมาอันประเสริฐพระอสมะเถระและพระสุเนตตเทระเป็นพระอัครสาวกพระอโนมะเทระเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระนุกาเทวีและพระสุชาตาเทรีเป็นพระอครสาวิกาและพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากระถิงรัมะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเป็นอครอุปถาณัากุลาอุบาสิกาและกิตตาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกา พระมหาโมนีทรงมีพระวรากายสูงห้าสิบแปดศอกทรงเปล่งพระสมัมมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังดวงอาทิตย์อุทัยคำสั่งสอนของพระองค์อบไปด้วยกลิ่นศีลเปรียบเหมือนป่าไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งอบไปด้วยกลิ่นต่างๆคำสอนของพระองค์ใครๆไม่เบื่อจะฟังเหมือนสาครที่ใครๆไม่เบื่อที่จะเห็น ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ9 0้า0ปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงประทานโอวาทและพร่ำสอนทรงสั่งสอนหมู่ชนที่เหลือให้เผากิเลสแล้วปรินิพานดังเปลวไฟไม่เชื้อแล้วดับไป พระพุทธเจ้าผู้หาใครเสมอเหมือนไม่ได้และสาวกผู้บรรลุพระธรรมทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระโสพิตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จ ด, ดับขันทัปริณิพานที่สีหารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวาง ในนานาอารยะประเทศชนีแลโสพิตะพุทธวงศจบอนโนมะทัศสีพุทธวงศสูตรว่าด้วยประปวัติของพระอนโนมะทัศสีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะ ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมทัดสีผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์มีพระยศหาประมาณมิได้ทรงมีพระเดชยากที่จะล่วงได้พระองค์ทรงตัดกิเลสเครื่องผูกได้ทุกอย่างทรงทำลายภพทั้งสามแล้วทรงแสดงทางที่มีการไปไม่หวนกลับแก่โมเทวดาและมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวดังมหาสมุทรหาผู้กระทกกระทั่งได้ยากดังภูเขาทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ดังอากาศทรงงดงามด้วยมหาปุริสลักษณะและพระอนุยพยัญชนะดังต้นพญาไม้สาระที่มีดอกบานสักครั่งสัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีแม้ด้วยการเห็นพระพุทธองค์ ัเหล่านั้นได้สะดับพระดำรัสที่กำลังตรัสแล้วย่อมบรรลุอมตรธรรมครั้งนั้นในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์การบรรลุธรรมเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปอย่างกว้างขวางเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งร้อยโกรธได้บรรลุธรรมสมัยต่อมาในการตรวสพระธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้ เมื่อพระพุทธเจ้ายังฝนคือทําให้ตกอยู่เทวดาและมนุษย์ประมาณแปสิบโกธได้บรรลุธรรมสมัยต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ยังทานน้ําคือทําให้หลั่งไหลทำโมสัตว์ให้อิ่มน้ําเทวดาและมนุษย์ประมาณ78โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมาทสีพระองค์นั้น ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้บรรลุอภินยาและพระธรรมผู้เบิกบานด้วยการหลุดพ้นสามครั้งครั้งนั้นพระขีณาสกผู้ละความมัวเมาและความหลงผู้มีจิตสงบประงับผู้คงที่ประมาณแ0 0แสนรูปมาประชุมกันพระขีณาสกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้มีจิตสงบระงับผู้คงที่จํานวนเจ 0,000 นรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขีนาศกผู้บรรลุอภิญยาและพระธรรมดับกิเลสได้แล้วมีตะบะประมาณหกแ0นรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเกิดเป็นยักษ์ผู้มีฤทธิ์มาก วางอำนาจเป็นใหญ่กว่ายักษ์หลายโกรธแม้ครั้งนั้นเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้อังคาดพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่มน้ําด้วยข้าวและน้ำครั้งนั้นแม้พระโมนีผู้มีนัยนาบริสุทธิ์พระองค์นั้น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 ทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วสเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักทําประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้ว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 ผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอราาัครสาวกพระเทรานามว่าอาโน์จักเป็นพระอุปถาบำรุงพระทินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเทรีและพระอุบบนวนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครส า, าวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสสัตพฤกขิตตะขาหาบดีอุบาสกและหัตถกะขาหาบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจักเป็นอัครอุปาถานันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอัครอุปถายิกา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 ต่ก็เปล่งเสียงโหร้องกรบมือร่าเริงประนมมือนมาส ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจักพราด ศ, ศาสนาของพระโล ก, กนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพูททางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพราดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ําใหญ่ไปฉันใด เราทั้งหมดก็ฉันนั้นถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จกพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื้นตันใจได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิทประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าจันทวดี ปรศัตรพระนามว่ายศวาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าโอนมัตัดสีพระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่หนึ่งมืปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสิริปราสาทอุปสิริปราสาทและวัฒปราสาท มีนางสนมกำนันสองหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิริมาพระราชะโอรสพระนามว่าอุปสาละพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงบวชทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระมหามุนีพระนามว่าอโนมาทศีอันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณะพระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐพระนิสภะเทระและพระอโนมเทระเป็นพระอัครสาวก พระเทระนามว่าวรณะเป็นพระอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าอนุมัติสีพระสุนทราเทรีและพระสุมนาเทรีเป็นพระอักรสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นรกฟ้านันทิวัตทอุบาสก และสิริวัฏะอุบาสกเป็นอัคระอุปถาอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นอัคระอุปถายิกาพระมหาโมนีทรงมีพระวรกายสูงห8สบดศอกพระองค์มีพระรัศมีแผ่สั้นออกสว่างสวัยดังดวงอาทิตย์อุทยัยขณะนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากาศาสนาของพระชินเจ้าบานสะพั่งงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะและไม่มีมนทินพระาศาสดาพระองค์นั้นผู้มีประยชศหาประมาณไม่ได้ และคู่พระอัครสาวกผู้ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระชินนาศาสดาพระนามว่าอโนมะทะัศสศีเสด็จดับขันทะปรินิพานที่ธรรมารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นที่ธรรมารามสูงยี่สิบห้าโยชนี้แล อนุมาทศีพุทธวงศ์จบปะทุมพุทธวงศ์สูตรว่าด้วยพระประวัติพระประทุมพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมาทศี ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบแม้ศีลของพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดเสมอแม้สมาธิก็ไม่มีที่สุดพระยานอันประเสริฐนับไม่ถ้วนและแม้วิมุติก็ไม่มีอะไรเปรียบ แม้ในคราวที่พระองค์ผู้มีเดชหาอะไรเทียบไม่ได้ส่งประกาศพระธรรมจักรการบรรลุธรรมกำจัดความมืดใหญ่ได้มีสามครั้งในการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเทรเจ้าท่งช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณ100โกรธให้บรรลุในการบรรลุธรรมครั้งที่สองส่งช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกธให้บรรลุ และในคราวเมื่อพระปทุมะพุทธเจ้าตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค์เทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระปทุมะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมสาวกสามครั้งภิกษุประมาณหนึ่งแสนโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่ง เมื่อกะถินจีวรเกิดขึ้นในสมัยกรานกะถินภิกษุทั้งหลายช่วยกันเย็บจีวรเพื่อประโยชน์แก่พระธรรมสีนาบดีครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นล้วนปราศจากมนทินได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากผู้ไม่พ่ายแพ้ประมาณสามแสนรูปมาประชุมกันสมัยต่อมาในคราวที่พระประธมพุมธเจ้า ผู้องอาจกว่านราชนทรงเข้าจมันสาในป่าใหญ่ครั้งนั้นภิกษุประมาณสองแสนรูปมาประชุมกันสมัยนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นราชส์สีเป็นเจ้าแห่งฝูงเนื้อได้เห็นพระชินเจ้าซึ่งกําลังเจริญวิเวกทมอยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้ากราบพระยุคลบาทด้วยศีรษะ กระทำประทักษิณพระองค์บรลือีหนาฏสามครั้งบำรุงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเจวันครบเจดวันแล้วพระตราคตเสด็จออกจากสมาบัติอันประเสริฐทรงมีหาไทยดำริให้ภิกษุจำนวนหนึ่งโกธมาประชุมกันแม้ครั้งนั้นพระมหาวีระพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์ใน่ามกลางภิกษุเหล่านั้นว่า ในกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปพระยาราชสีนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่หน้ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกรรมิยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิครด ส่งรับเข้าวปาญาติในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระจินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยเข้าปปาญาติที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วสเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่จักทําประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้ว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 ตั้งมั่นดีจากเป็นพระอครสาวก พ, พระเทรรนามว่าอนนท์จากเป็นพระอุปถาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลว น, นาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตะขาบดีอุบาสกและหัตถกะขาบดีอุบาสกชาวเมืองอารวาีจักเป็นอครอุปปทานันทมาดาอุบาสิกาและคุชะชุตตราอุบาสิกาจาักเป็นอครอุปปายิกา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 ทั้งหลายในมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ปริงเสียงโหร้องปผลมือร่าเริงประนมมือนาสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอนพูดทางกูล น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่า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 เพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อจำปะกะกริยัพระนามว่าอาสมาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าอาสมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่หนึ่งมื่นปี มีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนันทปราสาทวสุปราสาทและยะสุตระปราสาทมีนางสนมกำนันส3 0 0 0นาพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าอุตราพระราชโอรสพระนามว่ารัมมะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการ จึงทรงราชพานะคือรถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปัธุมะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักนะพระอุทยานท่านันชะอันประเสริฐพระสาะเทระและพระ อุปสาระเถระเป็นพระอครสาวกพระเถระนามว่าวรณะเป็นพระอุปถาของพระปทุมะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่สะพิยะอุบาสกและอัสมะอุบาสกเป็นอัคระอุปถารุจิอุบาสิกาและนันทรามาอุบาสิกาเป็นอัคระอุปถายิกาพระมหาโมนีทรงมีพระวรกายสูง58สดศอก พระองค์มีพระรัศมีหาอะไรเสมอไม่ได้ซึ่งแผ่ซ่านออกทั่วทิศแสงดวงจันทร์แสงดวงอาทิตย์แสงรัตนะแสงไฟและแสงแก้วมณีจินดาแม้ทุกอย่างนั้นคลั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจ้าแล้วย่อมอันตรธานไปขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปี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 พระองค์ทรงละทิ้งสังขารทั้งปวงเหมือนงูลอกคราบเก่าดังรุกขชาติสลัดใบเก่าแล้วเสด็จดับขันทัปริิญพานเหมือนเปลวเพลิงดับไปพระปทุมชินะศาสดาผู้ประเสรศิฐเสด็จดับขันทัปริิญพานที่ธรร ม, มารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แร่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยะประเทศชนี้แลปทุมะพุทธวงศจบท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับในวันนี้เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิดกได้จบลงแล้ว